ลำดับนั้นพิสูุนั้นถูกวา่าถ่าของชนเหล่าอื่นตักเตือนก็ย่อมทําสาตราการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่นั่นแหละเป็นเครื่องผูกพันพิกษุนั้นพิสูจนั้นย่อมยังลงสู่ความเป็นผู้พูดเท็จนะคือหมายก็ว่าถูกคนอื่นเขาว่าเอาหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าใช่ไหมหมุสาแล้วกันนี้หาเรื่องมามูสาใช่ไหมให้มันสมน้ําสมเนื้อกันหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็เลยมากด้วยการพูดเท็จอธิบายว่า คำว่าสาตราเนี่ยนะสาตราที่มาจากพุทธพจน์ที่ว่าถูกคนเราอื่นตักเตือนก็ย่อมทําสาตราสาตราก็คือสาตราทางกายสาตราทางวาจาสาตราทางใจสาตราทางกายก็คือความชั่วทางกายสมอย่างเรียกว่าสาตราทางกายวจีทุจริตสีอย่างเรียกว่าสาตราทางวาจามโมทุจริตสามอย่างเรียกว่าสาตราทางใจเพราะฉะนั้นขณะที่ประพฤติอกุศลกรรมบทก็เรียกว่าทําสาตราใช่ไหม คำว่าถูกวาทะของชนเราอื่นติเตียนความว่าภิกษุนั้นอันอุปชาอาจารย์ชนชั้นอุปชาชนชั้นอาจารย์เนี่ยมิตรที่เคยเห็นคนที่เคยคบสหายตักเตือนแล้วก็กล่าวเทจทั้งที่รู้ น, นะหลอกเลยนะของคนอื่นเขาตักเตือนเขาบ่อยก็อายเขินก็เลยมุสาส่งไปเลยบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้ายังยินดียิ่งในการบวช น, นะจริงๆผมยังอยากบวชอยู่นะเหมนแต่ว่าผมมี ผมเนี่ยจะต้องเลี้ยงแม่หาข้อมาอ้างแหละนะคนพูดแบบนี้มีบ่อยนะแต่ว่าศึกไปให้แม่เลี้ยงรู้จักเยอะเลยนะบอกผมเนี่ยจะต้องกลับไปเลี้ยงแม่ที่ไหนได้ไปก็แม่นั่นแหละหุงข้าวตักน้ำให้กินตามเดิมนั่นเองมันก็หลอกมูสาวว่าขพเจ้าต้องเลี้ยงมารดาฉะนั้นขพเจ้าต้องลาสิขา ขพเจ้านี้ต้องเลี้ยงบิดาต้องเลี้ยงพี่ชายน้องชายต้องเลี้ยงพี่สาวน้องสาวต้องเลี้ยงลูกชายต้องเลี้ยงลูกสาวขปเจ้าก็ต้องเลี้ยงมิดเลี้ยงอมารเลี้ยงญาติเลี้ยงคนที่สืบเชื้อสายเพราะฉะนั้นขพเจ้าจึงต้องเลี้ยงลาสิขาอย่างนี้แหละเรียกว่าธรรมศาสตราทางวาจานะมูสาวาดหลอกเขาส่งไปหมดเลยนะมูสาหลอกไปเรื่อยนั่นแหละคือคือให้มันสมเหตุสมผลในตอนนั้นน่ะนะจะได้แก้เขินไปงั้นน่ะแก้อายไปงั้นน่ะ เพราะฉะนั้นย่อมทําให้สาสตราทางวาจาเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นพร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะฉะนั้นลําดับนั้นพิสูจนนั้นถูกวาจาของชนเหล่าอื่นตักเตือนย่อมทําสาสตราก็าคือมุสาส่งไปเลยคําว่ากล่าวเทศทั้งรู้อยู่นั้นอ่ะเป็นเครื่องผูกพันของผู้นั้นคําว่าการกล่าวเทศทั้งที่รู้อยู่นั้นอ่ะเป็นเครื่องผูกพันคือเป็นป่าใหญ่าการมุสาวาททั้งที่รู้อยู่นี่นะโอ้เสียหายมากเหมือนป่าใหญ่เลย เป็นป่าชัดใหญ่เป็นทางกันดานใหญ่เป็นทางไม่เสมอมากเป็นทางคดมากเป็นหล่มมากเป็นเปือกตมมากเป็นเครื่องกังวลมากเป็นเครื่องผูกรัดมากของผู้นั้นน่ะมั้นการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เป็นเครื่องผูกพันของผู้นั้นหรือของพิสูจนนั้นแต่บางทีก็มูสาวาทตังก็ยังไม่ทันศึกนะศึกมาแล้วก็ยังมูสาวาตต่อส่งไปเอกนั่นแหละพิสูจนนั้นยังลงสู่ความเป็นผู้พูดเท็จความว่ามูสาวาตเรียกว่าความเป็นผู้พูดเท็จนะนะหลอกกันนะ ผู้เท็จเป็นยังไงก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้อยู่ในสภาก็ดีอยู่ในที่ประชุมก็ดีอยู่ในท่ามกลางญาติก็ดีอยู่ในท่ามกลางสมาคมก็ดีอยู่ในท่ามกลางราชสกุลก็ดี ถูกเข้านําไปถามเป็นพยานว่ามาเถิดบุรุษผู้เจริญท่านรู้สิ่งใดก็จงบอกสิ่งนั้นบุคคลนั้นเมื่อไม่รู้ก็บอกว่ารู้เมื่อรู้ก็บอกว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็บอกว่าเห็นเมื่อเห็นก็บอกว่าไม่เห็นกล่าวเทศทั้งรู้เพราะเหตุแห่งตนกล่าวเทศเพราะรู้เพราะเหตุแห่งผู้อื่นเพราะเหตุแก่อมิตรสินจ้างเล็กน้อยด้วยประการอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้พูดเทศจริงผู้เทศก็แบ่งเป็นผู้เทศสามอย่างก็มีนะ เบื้องต้นบุคคลนั้นก็รู้ว่าเราจักพูดเท็จเมื่อพูดอยู่ก็รู้ว่าเรากําลังพูดเท็จเมื่อพูดแล้วก็รู้ว่าเราพูดเท็จแล้วอย่างนี้เรามูสาว่าด้วยอาการสามมูสาว่าด้วยอาการสีด้วยอาการห้าด้วยอาการหกด้วยอาการเจ็ดด้วยอาการแปดก็คือเบื้องต้นบุคคลนั้นรู้ว่าเราจักพูดเท็จเมื่อพูดอยู่ก็รู้ว่าเรากําลังพูดเท็จเมื่อพูดแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยพูดเท็จปิดบังทิฏฐิปิดความควรความชอบใจความสําคัญ ปกปิดความจริงนะมู้สาวาตมีด้วยอาการแปรอย่างนี้คําว่าย่อมอย่างลงสู่ความเป็นผู้พูดเท็จความว่าย่อมอย่างลงก้าวลงยึดเข้าไปสู่ความเป็นผู้พูดเท็จเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าย่อมอย่างลงสู่ความเป็นผู้พูดเท็จสรุปว่าลําดับนั้นพิสูจนั้นถูกว่าท่าของชนเหล่าอื่นตักเตือน น, น, นะนะถูกครูอาจารย์อุปชาเป็นต้นตักเตือนก็ทําศาสตราคือมู้สา กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่นี่แหละเป็นโง้เป็นทางผิดอย่างมากเป็นทางโคตรอย่างยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก็ยังลงสู่ความเป็นผู้พูดเท็จนะนะโกหกไปเรื่อยแหละคาถาต่อไปว่าภิกษุเป็นที่เรื่องลือว่าเป็นบัณฑิตอธิฐานความประพฤติผู้เดียวแม้ภายหลังประกอบเมถุนธรรมจักเศร้ามองเหมือนคนโง่ฉะนั้นนี่ก็ยังตำหนิต่อไปอีกนะว่า นะสมัยแต่เก่านี่เขาลือว่าเป็นบัณฑิตใช่ไหมอธิฐานความปฏิบัติหน้าดูเลยะตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคาว่าภิกษุเป็นที่เรื่องลือคือลือว่าเป็นบัณฑิตมีความว่าพิสูจ์บางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อันชนเหล่าอื่นสรรเสริญเกียรติคุณว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้หูสูดมีถ้อยคำไพเราะมีปฏิพานทรงจําพระสูตรพระวินัยเป็นธรรมกถึก เป็นผู้รักษาธุดงค์สิบสาเป็นผู้ได้รูปสมาบัติสอ่รูปสมาบัติสแต่ในการก่อนในคราวเป็นสัมมนเนี่ยนะเป็นผู้อันประชุมชนเนี่ยรู้หมายรู้เรื่องลือกันอย่างนี้ว่าเขาเนี่ยโอ้ยเป็นคนดีจริงๆประพฤติดีปฏิบัติชอบเลยแหละอธิษฐานความประพฤติผู้เดียวก็คือผู้เดียวด้วยเหตุสองทั้งผู้เดียวโดวยการบวชทั้งผู้เดียวโดวยการหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยนะ เรียกว่าอธิษฐานเป็นผู้เดียวด้วยละการคลุกคลีด้วยหมู่อย่างนี้ภายหลังก็หันมาประกอบเมถุนธรรมนะคือมาภายหลังมาประกอบเมตุนธรรมคือสมัยต่อมาพิสูจนนั้นบอกคืนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลาสิกขาเวียนมาเพื่อความเป็นครหัดประกอบประกอบทั่วประกอบด้วยความเอือ้อเฟื้อประกอบด้วยดีในเมถุนธรรมนะน่ะภายหลังประกอบเมตุนธรรมก็เดือดร้อนน่ะนะเศร้าหมองอะไรกันเนี่ยนะ คำว่าจาักเศร้าหมองเหมือนคนโง่ฉะนั้นความว่าบุคคลนั้นจักลำบากจักเศร้าหมองมัวมองเหมือนคนกําพร้าเหมือนคนลงไหลฉะนั้นเนี่ยนะศึกมาก็เดือดร้อนน่นะจริงนะโดยทั่วๆไปนะคนศึกแรกๆนะ่ะหน้าเขาเศร้ามากเลยนะที่ที่รู้จักส่วนใหญ่เนี่ยศึกซึมถ้าส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นก็ย่อมฆ่าสัตว์ไปนะพอพอเศร้ามองก็เศร้ามองด้วยการฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างตัดที่ต่อบ้างปล้นโดยไม่เหลือบ้างปล้นเรือนหลังเดียวบ้างดักปล้นที่หนทางเปรี่ยวบ้างครอบหาภรรยาของผู้อื่นบ้างกล่าวเท็จบ้างเนี่ยนะก็พอศึกไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปทําบุญอย่างเดิมอะไรสักเท่าไหร่หรอกมากก็เนี่แหละใหม่ๆก็ตอนแรกศีลห้าเป๊ะเนี่ยนะมีไอ้คนอยงนะี้เป็นสมัมมเนนตอนนั้นบวชอยู่ด้วยแล้วก็รักมันมากอนะ แนะนำไม่หมดอะตอนหลังสึกไปนะบอกปไปง่ายสแน็ครักษาศีลดีอยู่รึเปล่าดีครับเหมงอนนศีนห้าเป๊ะเลยนะปีหนึ่งผ่านไปปีสองมาเนี่ยเมาสังแง่งงแล้ว น, นะปีหลังไปอีกก็ได้เมียไปเรียบร้อยละ น, นะตอนนี้ไม่เหลือสักข้อแล้วเนี่ยนะนนะดีไม่ดีไปเสพยาบงยาบ้าสารพัดตีกันนะไปเรื่อยเลยลนะ เพราะนั้นก็ตอนหลังก็เริ่มโมกสาวาดขี้เหล่าเมายาแล้วนะก็จักรลาบากเศร้ามองมัวมองแม้อย่างนี้เนี่ยนะก็ไปทําชั่วใช่ไหยก็ไปทําชั่วทางกายวาจาใจาเช่นทสมัยนี้ก็ศึกไปค้ายาบ้าเ น, นี่ยนะก็ถูกจับใเพราะนั้ น, ะนพระราชาก็รับสั่งให้จับกลุ่มบุคคลนั้นให้ทํากรรมกรต่างๆเนี่ยนะพูดแบบพระราชาสมัยโบราณนะให้เขียนด้วยแซ่บ้างเนี่ยนะก็ ถูกจับเคียนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้างให้ตัดมือบ้างให้ตัดเท้าบ้างให้ตัดทั้งมือตัดทั้งเท้าบ้างกลายเป็นคนด้วนเลยตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้างวางก้อนเหล็กเอาบนศรีรษะบ้างเนี่ยนีคือคือเอาเรียกว่าเอามีดโกนเนี่ยนะมากรีดรอบจอนผมเนี่ยแล้วก็ถลกหนังศรีรษะออกแล้วก็ เอาเลื่อยมาหันกรหันกระโหลกเนี่ยนะก็งัดขึ้นเอาก้อนเหล็กแดงๆเนี่ยวางเข้าไปให้มันทะลักออกมาให้สมองเนี่ยทะลักเหมือนกับแปรเคยเห็นหม้อข้าวมันทะลักออกไหมอย่างนั้นแหละถลกหนังศีษะออกแล้วก็ขัดให้เข้าเหมือนขัดสังบ้างอะนะเรียกว่าเปิดหนังกระโหลกศีรษะแล้วก็ขัดกระดูกแล้วขัดกระโหลกศีรษะเนี่ยมันแถบเลยอะใส่ไ ฟ, ไฟลุกโพลงเข้าไปในปากจนเลือดไหลออกเต็มปากเหมือนปากราหูบ้างะนะ ยัดไฟเอ่ยัดไฟเข้าไปในปากกันนะเลือดกไ็ไหลอาบอยู่นั่นแนหะพันตัวด้วยผ้าแล้วก็ชุบน้ํามันเผาทั้งเป็นบ้างนะถูกเผาทั้งเป็นเลยนะพันด้วยพันมือด้วยผ้าก็จุดไฟเผาให้ลุกเหมือนประทีป บ, บ้างก็ยืมเป็นเทียนหน่อยอยงเ้ย น, นะถลกหนังตั้งแต่คอลงมาถึงข้อเท้าลุกเดินเหยียบหนังนั่ น, น, ะนะจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอเนี่ยมาถึงบั้นเอวแล้วก็ให้นุ่งเหมือนผ้าคากรองบ้าง นุ่งหนังตัวเอ ง, งนั่นแหละเหมือนกันสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าทั้งหมดแล้วก็เสียบเหลาเหล็กสี่ทิศแล้วก็เผาไฟบ้างะนะเคเห็นไหมเขาเนื้อย่างเนื้อในป่านะแบบนั้นน่ะเขาก็สวมไฟรอบนะสวมไฟรอบอย่นั่นน่ะเอาเบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างะนะเอเบ็ดเกี่ยวไปแล้วก็เขาดึงกระชากทีละนิดทีละนิดทีละนิดเ น, นี่ยนะเอามีดเชือดเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นแว่นเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเหมือนแบบนางพระนางมาคันธิ นางมาคันธยาถูกทําอ่ะนะเฉือนออกทีระชิ้นทีลชิ้นเอาไปทอดทอดแล้วให้เจ้าของกินนั่นแหละเฉือนหนังเอ็นแล้วก็เหลือแต่กระดูกบ้างเอาเหลาเหล็กแทงที่ช่องหูจนทะลุถึงกันก็เสียบติดที่ดินแล้วก็จับขาหมุนไปโดยรอบเหมือนนาฬิกาบ้างทุบให้กระดูกละเอียดแล้วก็ถลกหนังออกเหลือแต่กองเนื้อดังตั่งใบไม้บ้างเอาน้ํามันเดือดพล่านรถตัวบ้าง ให้สุนัข ก, กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างเสียบเหลายกขึ้นนอนหงายทั้งเป็นบ้างเอาดาบตัดศีรษะบ้างบุคคลนั้นจักรลำบากจักเศร้าหมองจักมัวหมองแม้อย่างนี้พอไปทำชั่วเสร็จนะก็ได้รับทุกโทษอย่างนี้แหละอีกอย่างหนึ่งบุคคลนั้นน่ะถูกการมตัญหาครอบงำแล้วมีจิตอันการมตัญหาตราตรึงไว้แล้วถือไม่ได้ไปทำชั่วหรอกแต่กิเลสมันทิ่มแทงเสียมสอนนะ่ะนะก็สะแสวงหาโภกขซั์ ก็พสืึกมามันก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมต้องทํามาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนี่นะทีนี้ทำไงอ่ะก็แล่นไปสู่มหาสมุทรด้วยเรือบังฝ่าหนาฝ่ า, าร้อนถูกสัมผัสแหงเหลือบยุงลมแดดสัตว์เสือกคลานเบียดเบียนถูกความหิวความกระหายเบียดเบียนเนี่ยนะก็ไปแล้วไปคุมภารัฐไปตักโกตักโกลาัทไปตักกสิลรลัทไปกาลมุขรัตไปมรณะปารัฐไปเวสุงรัฐไปเ ป, เเปราปัทรัฐ ไปชวาลัตไปกรรมลิรัตไปวังกรัตไปเอละกัวัฒนรัตไปสุวรรณกูดรัตไปสุวรรณภูมิรัตเนี่ยนะมาถ้าเป็นอินเดียก็มาค้าขายทั้เมืองไทยนี่แหละมาไกลแล้วกันเนี่ยมาทำมาหากินนะ่ะนะไปตามพระปณิรัตเนี่ยนะก็ไปศรีลังกาบ้างไปสุ ป, ปะปารัตไปอ่าพรกรัตบั่งไปสุทารัตบ้างไปอังคเนกรัตมัง่งไปอังคณรัตบ้างไปรามะ คังคณะรัฐบ้างไปโยโยนกรัฐเนี่ยนะโยนกรัฐก็โ น, น่นอ่ะแถวโยุโรปอะ่ะไปปีนรัฐบ้างไปอาร์นาสันทรัฐไปมาุกันตา ร, รัฐเรียกว่าไปที่กันดารมากนะนะบางบางแห่งก็ต้องเดินทางที่ต้องไปด้วยเขาต้องคลานไปอย่างเดียวจึงจะไปได้เดินทางที่ต้องไปด้วยแกะบ้างเดินทางที่ต้องไปด้วยแพะบ้างเดินทางที่ต้องโหนไปด้วยเชือกและหลักเนี่ยนะก็คือเรีว่าไต่เขาอ่ะนะ ที่จะข bonito, e ้ามเขาเป็นลูกก็ต้องทําอย่างนั้นแหละเดินทางไปที่ต้องโดดลงด้วยร่มหนังแล้วจึงเดินไปได้บ้างเดินทางที่ต้องไปด้วยพระองค์ไม่ไผ่เดินไปตามทางนกเดินไปตามทางหนูเดินไปตามทางซอกภูเขาเดินไปตามลำทารที่ต้องไต่ไปตามเส้นไหวจากลําบากจากเศร้าหมองมัวหมองแม้อย่างนี้ก็ไปทำมาหากินนะนะทำมาหากินก็ไปตะรนตะรนตะรนตะรนอาบเหงื่อตางน้ําเนี่ยไปแล้วนี้ ทีนี้ถ้าสแสวงหาได้ก็ดีไปนะถ้าไม่ได้เขาก็ย่อมเสวยทุกโทมนัสเพราะมีความไม่ได้เป็นมูลจากลำบากจากเศร้ามองจากมัวมองอย่างนี้ก็เดือดร้อนตั้งแต่แสวงหาแล้วนะไม่ได้อะ่ะ ข, า, ขายก็ขาดทุนยอาบเจินหมดถ้าเมื่อสแสวงหาได้แต่ทำมาหากินจนมั่งมีละ่ะก็ได้แล้วก็เสวยทุกโทมนัด แม้มีความรักษาเป็นมูลก็วิตกเดือดร้อนอยู่ว่าด้วยอุบายอะไรเนาะพระราชาจึงจะไม่ริบโภคทรัพย์ไปพวกโจรจะไม่ลักไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดทายาตอั ป, ปรีจะไม่ค้นไปได้เนี่ยนีนก็ก็คิดสแสวงหาไว้ทำยังไงจะตกปักรักษาทรัพย์เอาไว้ได้